สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการกลเม็ครัวไอเดียค่ะอยู่กับเอนะคะพานุมาหัตถบูรับหน้าที่ดําเนินรายการและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องราวของสารพันห้องครัวค่ะที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็พบกันเป็นประจําเลยทั้ง3ช่วงของรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นลุยเข้าครัวนะคะคกลเม็เกล็ดเสริมครัวแล้วก็กลเม็เกล็ดถ่ายครัวนั่นเองค่ะเรามาเกลือนกันก่อนดีกว่านะคะว่าวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้าง อย่างในช่วงแรกค่ะกับกลเม็ดลุยเข้าครัวนะคะวันนี้เอมีเรื่องราวเกี่ยวกับกลิ่นหอมนะคะการเลือกกลิ่นให้เหมาะกับ5 ห, ห้องภายในบ้านอาจจะไม่ใช่ห้องครัวสทัทีเดียวนะคะแต่ก็บอกเลยว่ามีประโยชน์แล้วก็มีห้องครัวรวมอยู่ใน5 ห, ห้องนี้ด้วยนะคะเลือกอย่างไรให้อยู่และผ่อนคลายเลือกกลิ่นหอมให้เหมาะกับ หาห้องนะคะเตรียมรับฟังกันได้เลยในช่วงแรกของรายการค่ะส่วนช่วงที่2ของรายการนะคะเรามีเรื่องราวของ6สิ่งค่ะที่ครัวสวยๆเนี่ยจะขาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันส่วนช่วงสุดท้ายของรายการกับกลเม็ดเกล็ดท้ายครัวนะคะวันนี้เอมีเรื่องราวของการทำความสะอาดแล้วก็มาบอกเล่ากันว่า5สิ่งที่สุดสกรปรกนะคะในห้องครัวนั้นมีอะไรกันบ้าง ทั้งหมดทั้งมวล น, นี้รวบรวมไวในรายการกลเม็ดครัวไอเดียของเราในวันนี้แล้วค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเราในช่วงแรกกันกับกลเม็ดลุยเข้าครัวค่ะพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่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 มองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยมืออาชีพราคาย่อมเยาปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีด้วยคุณภาพกับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999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 พร้อมให้บริการทุกวันอาคารเวลา 12.00 นถึง 13.00 นที่ชั้น3สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีจังหวัดปทุมธา น, นีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653 Line o f ฟ i c i a l RMUtt พร้อมให้บริการข่าวสารกับทุกท่านแล้วค่ะ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 กลับเข้ามาสู่เรื่องราวในช่วงรากของรายการกลเม็ดครัวไอเดียกันนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงนี้กลเม็ดลุยเข้าครัวนั่นเองค่ะเรื่องที่เรานํามาฝากกันนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของการเลือกกลิ่นนะคะให้เหมาะสมกับ ห้าห้องภายในบ้านซึ่งก็มีเรื่องของห้องครัวรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะจะเลือกอย่างไรนะคะให้อยู่และผ่อนคลายนะเรามีวิธีมาแนะนํากันค่ะหากว่าบ้านของเรามีกลิ่นนะคะก็คงเป็นเรื่องที่ดีถ้าเป็นกลิ่นหอมถูกต้องไหมล่ะคะดีกว่ากลิ่นเหม็นสารพัดนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจากห้องน้ํากลิ่นเหม็นจากการประกอบอาหารในห้องครัวหรือว่ากลิ่นลบกวนอื่นๆนะคะแต่ว่านี่แหละเราจะเลือกอย่างไรนะคะวันนี้ได้ข้อมูลดีๆค่ะ มาจากเว็บไซต์สนุกนะคะเลยมีการแนะนำนะคะเทคนิคในการเลือกวางเครื่องหอมตามจุดต่างๆในบ้านมาเป็นแนวทางเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกกลิ่นหอมได้อย่างเหมาะสมทําให้บ้านของเราน่าอยู่แล้วก็มีความผ่อนคลายด้วยค่ะอย่างแรกเลยนะคะห้องนอนค่ะควรเลือกกลิ่นหอมที่ทําให้หลับสบายนะคะอย่างเช่นกลิ่นวานิลลากลิ่นที่มีส่วนผสมของดอกไม้นะคะเพราะว่ากลิ่นหอมของดอกไม้เนี่ยจะช่วยให้อารมณ์ของเราผ่อนคลายได้ง่ายนั่นเองค่ะ อย่างที่2นะคะห้องทำงานหรือว่าสำนักงานที่ต้องการความสงบเงียบควรเลือกกลิ่นที่ให้ความรู้สึกสดชื่นค่ะมีชีวิตชีวาซึ่งอาจจะเป็นกลิ่นหอมที่มีส่วนผสมของผลไม้นะคะก็ได้เพราะว่าจะเป็นการช่วยให้เราเนี่ย รีสตาร์ทความรู้สึกใหม่ๆนะคะในการทํางานแล้วก็จะได้มีความสุขในการทํางานไปด้วยนะคะพร้อมกับรับกลิ่นหอมๆแบบนี้แหมอะไรก็ช่างลงตัวไปหมดนะคะอย่างที่3ก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเป็นห้องที่เราเนี่ยควรจะเลือกกลิ่นที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะคะสงบแล้วก็คลายความกังวลเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นห้องนั่งเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรค่าแก่การพักผ่อนก็ต้องเลือกกลิ่นที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะ สงบแล้วก็คลายความกังวล น, นั่นเองค่ะอย่างที่สีนะคะห้องน้ำห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหลายๆบ้านนี่นะคะก็นะบางทีเนี่ยล้างก่อนแล้วนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยของท่อของอะไรอย่างเี้ยยังขึ้นมาอยู่เนี่ยก็ทำให้บางทีเนี่ยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินทำไมไม่หายไปสักทีกับกลิ่นของห้องน้ำนะคะควรจะเลือกกลิ่นที่ทำให้รู้สึกตื่นตัวแล้วก็สดชื่นนั่นเองค่ะ อย่างที่ห้าห้องห้าห้องสุดท้ายนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือห้องครัวค่ะกิ่นประเภทจันแป8แฉกนะคะที่ค่อนข้างมีกลิ่นแรงก็สามารถใช้ดับกลิ่นของห้องครัวได้เพราะว่าห้องครัวนะคะที่เราใช้ประกอบอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีกลิ่นฉุนก็ดี ไม่มีกลิ่นชุนก็ดีแต่ว่าพวกขมเหมวควันไฟนะคะเรื่องของเครื่องเทศต่างๆที่เราใช้ประกอบอาหารยิ่งถ้าเป็นอาหารไทยต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหกลิ่นแรงมากแน่ๆเพราะว่าทั้งกระเทียมพริกนะคะหัวหอมแบบนี้เนี่ยทำให้กลิ่นเนี่ยมันสะสมนะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกลิ่นอะไรต่ออะไรน ะ, ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้อะไรที่แรงหน่อยมากรบ กลิ่นนะคะของห้องครัวนั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของช่วงแรกนะคะเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เรานำมาฝากกันนะคะในช่วงนี้ช่วงหน้าเรื่องราวของกลเม็ดเกล็ดเสริมครัวค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาเสริมกันในเรื่องของอะไรบ้างนะคะอย่าลืมว่าเรามี6สิ่งค่ะที่จะทำให้ห้องครัวสวยๆนั้นยังคงสวยอยู่ได้นะคะแล้วก็จะขาดไปไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันนะคะ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 Line อ f ฟ i c i a l RMU TT ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์แห่งใหม่ของคนทุกวัย RMU TT ฟาร์มชอ p ยิ น, ยนดีต้อนรั บ, รบค่ะค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 เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโกลเม็ครัวไอเดียกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงนี้เรื่องราวของการตกแต่งห้องครัวนะคะที่เราพลาดกันไม่ได้เลยกับหกสิ่งที่คะที่จะทำให้ครัวสวยๆนั้นนะคะอยู่คงทนถาวรในเรื่องของความสวยงามแน่นอนนะคะแล้วก็ขาดไปไม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งครัวสวยๆใครๆก็อยากมีค่ะแต่ถ้าเรามักจะคิดว่าครัวที่สวยนั้นจะต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่พร้อมกับงบประมาณที่ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องมากขนาดนั้นก็ได้นะคะการจะทำให้ห้องครัวสวยได้เนี่ยมีเทคนิคค่ะไม่จาเป็นต้องใช้ที่กว้างแล้วก็งบประมาณที่มากมายแต่อย่างใดนะคะแล้วก็6สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ครัวสวยๆทั่วโลกเขามีกันแน่นอนว่าถ้าคุณทำตามกดง่ายๆนะคะดัง6ข้อต่อไปนี้รับรองว่าครัวสวยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ ข้อแรกเลยนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องของลวดลายค่ะโดยนักออกแบบตกแต่งนะคะก็บอกว่ากลัวที่มีลวดลายเนี่ยก็จะดูสวยงามแล้วก็เป็นที่นิยมเช่นกันเราสามารถใช้ครัวลายตกแต่งนะคะผนังห้องครัวเนี่ยได้สวยอาจจะเลือกได้เป็นแบบว่าแต่งบางส่วนไม่ต้องทั้งหมดนะคะอย่างผนังที่มีทั้ง4ด้านเนี่ยเราก็อาจจะเลือกตกแต่งแค่ด้านใดด้านหนึ่งคะ่ะนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะรกนะคะของที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็ให้เก็บเข้าตู้ไม่ควรวางไว้อะไรที่แบบ พื้นหรือว่าอะไรที่มันจะทําให้ดูลกหูลกตานะคะอย่างที่เราเคยบอกกันเมืก่อนหน้านี้แล้วว่าเรื่องของการเก็บของชิ้นเล็กชิ้นน้อยของกระจุกกระจิกนะคะเข้าลิ้นชักเข้าที่เข้าทางมันจะทําให้ห้องครัวของคุณนั้นดู ก, กว้างแล้วก็โล่งมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะสีเทาก็คือสีขาวแนวใหม่ ถูกต้องแล้วค่ะครัวเนี่ยจะสวยได้นะคะต้องใส่ใจเสมอว่าความสะอาดเรียบง่ายเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะสีเทาเป็นสีที่มาแรงในการนํามาตกแต่งบ้านนะคะดังนั้นเราอาจจะไม่ต้องยึดติด ก, กับการใช้ผนังสีขาวเสมอไปแล้วก็สีเทาเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งค่ะเหมาะสําหรับคนที่ชอบลุคเท่ๆนะคะที่สามารถที่จะเข้ากันกับตู้หรือว่าอุปกรณ์ครัวกับทุกๆสีได้เหมือนกันนะคะข้อที่3ให้แสงสว่างมากๆ เนีะสำหรับห้องครัวค่ะแสงสว่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญไฟในห้องนั้นนะคะก็อาจจะสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งแบบรางไฟนะคะในยุคเก้าศูนย์แบบหลอดไฟฝังนะคะในช่วงต้นยุค 2,000 นะคะหรือแม้กระทั่งที่เป็นไฟโคมนะคะที่ห้อยลงมาจากเพดานเนี่ยก็ ไปอีกแบบหนึ่งนะคะทางเลือกในการตกแต่งไฟนั้นนะคะให้สวยเนี่ยเพื่อดึงดูดสายตานะคะก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งพร้อมกับให้แสงสว่างให้ห้องครัวของคุณนั้นดูโล่งโปร่งสบายอีกด้วยค่ะ ข้อที่4นะคะที่รับประทานอาหารแบบเรียบง่ายครัวเนี่ยจะดูสวยแล้วก็อบอุ่นนะคะหากมีที่นั่งรับประทานอาหารที่ดูสบายๆจัดแต่งเรียบง่ายในมุมมุมหนึ่งก็พอค่ะพื้นที่จุดนี้เนี่ยอาจจะสร้างเป็นความเด่นนะคะด้วยการผสมผสานลวดลายหรือว่าพื้นผิวแล้วก็สีสันต่างๆเข้าไปด้วยกันหากผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะคะห้องครัวเนี่ยก็จะดูแพงขึ้นมาทันทีเลยละคะ่ะ ข้อที่5นะคะใช้หลัก2ดีกว่า1 ห, ห้องครัวเนี่ยใช้ว่าสีขาวไปหมดแล้วจะดีนะคะควรเลือกสีที่มีความแตกต่างมาเพิ่มให้ความน่าสนใจอย่างเช่นการเลือกเฉด ส, สีต่างกันมาใช้ระหว่างตู้ด้านบนกับตู้ด้านล่างเป็นการคอนทราสต์กันนะคะตัดกันไปเลยจะช่วยหลอกสายตาให้ดูไม่แคบนั่นเองค่ะแล้วก็ดูมีความหลากหลายสร้างสีสันให้กับห้องครัวให้ดูน่ารักขึ้นไปอีกด้วยนะคะก็ที่6ข้อสุดท้ายค่ะ สีทองแดงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหากใครที่ไม่อยากแบบว่าใช้สีของอุปกรณ์เครื่องครัวแบบพื้นๆนะคะคือสีเงินก็ลองเปลี่ยนมาใช้โทนที่เป็นทองแดงดูนะคะจะทำให้เด่นขึ้นนอกจากจะเป็นการเพิ่มสีสันให้กับอุปกรณ์โลหะแล้วนะคะยังทำให้ดูเป็นธรรมชาติดูน่าค้นหาแค่เครื่องดูดควันที่มีสีทองแดงเนี่ยห้องครัวนั้นก็ดูเด่นแบบว่าหืมสุดๆไปแล้วละคะ่ะ ขอบคุณที่มานะคะจากข้อมูลดีๆแบบนี้จาก House Beautiful ค่ะยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนนะคะสำหรับเรื่องราวของการตกแต่งห้องครัวคุณผู้ฟังสามารถที่จะมารับฟังนะคะเรื่องราวของการตกแต่งห้องครัวของเราได้นั้นในทุกวันอังคารแบบนี้ค่ะหนึ่งนาฬิกาถึงสองนาฬิกานะคะเรื่องราวของสรรพันในห้องครัวที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกๆสัปดาห์เลยละค่ะ เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการตกแต่งห้องครัวก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะอย่างถ้าสมมุติว่าเราไปตำที่เขาขายผลิตภัณฑ์การตกแต่งบ้านเนี่ยเขาจะมีบริการในเรื่องของการออกแบบการตกแต่งนะคะไว้ให้กับคุณผู้ฟังอยู่แล้วเพียงแค่บางทีเนี่ยบางทีปรึกษาฟรีด้วยซ้ำนะคะแค่คุณเนี่ยเอาพื้นที่นะคะลองให้เขาดูจําลองให้ดูเลยนะคะแล้วก็ลองใส่ ความต้องการของคุณเข้าไปว่าคุณอยากจะได้รูปลักษณ์เป็นแบบไหนนะคะเฟอร์นิเจอร์สีอะไรนะอยากได้มุมนั้นเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกวันนี้เนี่ยง่ายจริงๆสําหรับเรื่องของการออกแบบแล้วก็การตกแต่งบ้านหรือว่าการตกแต่งห้องเครือนั่นเองค่ะ ช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการกลเมฆครัวไอเดียกันแล้วค่ะเรามีนะคะสิ่งที่จะมาเปิดเผยให้ฟังกันว่า5สิ่งที่ส ก, กรปรกที่สุดในห้องครัวนั้นมีอะไรกันบ้างเราจะได้รู้ไว้แล้วก็นำไปแก้ไขได้ถูกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันนะคะพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี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 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th ศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญาบุรีเปิดส่วนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วทีนี่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 กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกลเมคครัวไอเดียกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงนี้นะคะเราจะมาเปิดเผยกันถึงเรื่องราวของ5สิ่งที่ศกกระปกที่สุดในห้องครัวค่ะครัวถือเป็นสถานที่ใช้ปรุงอาหารเพื่อรับประทานนะคะเป็นสถานที่ที่เราให้ความสําคัญกับการทําความสะอาดมากแต่ทราบหรือไม่คะว่าในห้องครัวนั้นเราดูแลความสะอาดอย่างดี หรือเปล่ามีสิ่งที่สกรปรกจนน่าจะเรียกได้ว่าสกรปรกที่สุดในบ้านอยู่หลายจุดเลยล่ะค่ะแต่กว่าร้อยละ50ของห้องครัวนะคะที่ถูกสํารวจเนี่ยก็พบว่าเกือบ5 0ามีจุดที่สุดสกรปรกอย่างน้อย1จุดและ5สิ่งที่พบว่ามีความสกรปรกมากที่สุดก็คือ1เลยค่ะ ช่องแช่แข็งนะคะเจ้าของบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเก็บเนื้อสัตว์สดนะคะไว้ในช่องแช่แข็งใช่ไมล่ะคะเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมทําให้เชื้อแบคทีร i a เนี่ยเติบโตผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเก็บเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาเนื้อไก่สดสนั้นต้องต่ํากว่า5องศาเซลเซียสเพราะหากเก็บในอุณหภูมิที่สูงกว่านี้แบคทีเรียจะเติบโตนะคะได้อย่างรวดเร็วค่ะ ข้อที่สองนะคะผ้าเช็ดจานชามแล้วก็ฟองน้ำล้างจานนั่นเองค่ะมีนักวิจัยผนะคะพบว่าฟองน้ำจำนวน64มีแบคทีเรียดังนั้นเราควรจะนำฟองน้ำเนี่ยเข้าไมโครเวฟสักนาทีหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียบ้างค่ะ ข้อที่สามนะคะในและรอบๆ อ, อ่างล้างจานนักวิจัยนะคะพบว่าบริเวณอ่างล้างจานนั้นเป็นสิ่งที่สกรปรกทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นจุดที่เราใช้ในการล้างทําความสะอาดจานชามโดยร้อยละปดสิบสองค่ะของบ้านนะคะที่เข้าไปสํารวจมีอ่างล้างจานที่สกรปรกเนี่ยไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานความสะอาดค่ะ ข้อที่4นะะแน่นอนเลยว่าต้องเป็นเจ้าสิ่งนี้ก็คือเขียงนั่นเองเกือบร้อยละนะะของเขียงในบ้านที่เข้าไปสำรวจนั้นมีการแตกแล้วก็เสื่อมสภาพซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนั่นเองนะะก็ตามซอกนะะตามร่องต่างๆของเขียงนะะโดยนักวิจัยเนี่ยพบว่าอีก ประมาณ5 0านะคะของบ้านที่เข้าไปสํารวจนั้นไม่ใช้เขียงค่ะตาหันอาหารบนเคาน์เตอร์เลยซึ่งนั่นทําให้สกรปรกมากขึ้นไปอีกค่ะอย่างที่5นะคะข้อสุดท้ายบริเวณที่สุนัขชอบอยู่บ้านในเลี้ยงสุนัขนะคะบอกเลยว่าบ้านร้อยละ65ที่เข้าไปสํารวจนั้นมีมแมลงนะคะอย่างเช่นมดแล้วก็มแมลงสาบหรือว่าแม้กระทั่งหนู นะคะนักวิจัยบอกว่าสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมาจากสัตว์เลี้ยงนั่นเองดังนั้นนะะวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะปกป้องครอบครัวของเราออกจากความสกรปรกแล้วเนี่ยก็คือการหาความรู้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรที่จะปล่อยให้เข้าไปในห้องครัวค่ะและหาคำแนะนำในการจัดเก็บอาหารอย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะและนี่นะคะก็คือ5จุดที่สกรปรกที่สุดในห้องครัวค่ะ รู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ต้องมาหาวิธีทําความสะอาดกันอย่างหลายๆสัปดาห์เลยนะคะที่เราแนะนํากันไปในการทําความสะอาดแต่ละจุดนะคะแต่ละซอกแต่ละมุมของห้องครัวกันแต่ว่าถ้าใครพลาดไปไม่บรนไรค่ะเพราะว่าเอก็จังคงมีมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันอย่างต่อนเนื่องอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้เสียดายมากๆเลยค่ะหมดเวลาของรายการกลเม็ดครัวไอเดียกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ทั้ง A, แล้วก็รายการกลเม็ดครัวไอเดียพร้อมด้วยทีมงานวิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง w w w r a d i o r m u t t ac th หรือติชมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m rmuttt เรดิหรือทางไลน์ o f f i c i a l ย R M U T T Radio.